ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังกหะอัตถกถาพระส า, ศาศรีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาสิบเอ็ดโจทนาดิวินิชยะกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการโจทย์อาบัติเป็นต้นต่อ ก็ถึงเรื่องของวินัยสีย่อย่างก็ได้แก่สูตรสุตานุโลมอาจารย์ยว่าแล้วก็อัตโนมัติซึ่งในมิลินทปัญหาท่านก็กล่าววินัยสีอยา่างนี้ใช้ชื่อต่างกันหน่อยหนึ่งก็คือสูตรนี้ท่านเรียกว่าอาหัจฉบทอาหัจจบทหมายถึงบทดั้งเดิมก็หมายถึงพระพุทธพจน์นั่นแหละส่วนสุตานโุโรมในมิลินทปัญหาท่านหน้าเกษนั้นกล่าวไว้ด้วยรถ รถก็หมายถึงสุดตานุโรมอาจจริยว่าท่านนัเกเษกกล่าวไว้ในวิเรนตะปัญหาว่าเป็นอาจาริยวงศ์มาถึงวงแห่งอาจารย์อาจจริยว่าเนี่นะวงแห่งอาจารย์แล้วก็อันทต่สี่นี้เรียกว่าอัตโนมัติวินัยที่เป็นอัตโนมัติท่านพน้าเกษเรียกว่าเป็นความอธิบายคําอธิบายอาถาธิบาย วินัยสี่อย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดสินของธรรมวินยัยของวินัยแหละส่วนให ญ, ญ่ถ้าเป็นทางด้านธรรมะก็จะมีหลักของการตัดสินธรรมวินัยแปดประการของพระนางโคตมีบ้างที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พนางโคตมีแล้วก็จะมีมหาประเทศมหาประเทศในฝ่ายของพระสูตรก็ไว้เป็นเครื่องตัดสินได้เหมือนกันต่อไปอีกอย่างหนึ่งเถรวาสแท้ทั้งหมดเถรวาสแทแทนทั้งหมด ที่มาในอัตถกาถาแห่งพระสูตรพระอภิธรรมและพระวินัยชื่อว่าอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอัตโนมัตินี้นอกจากคําที่พ้นจากสูตรพ้นจากสูตรตานุโลมพ้นจากอา จ, จริยวาทแล้วเป็นการอนุมาณด้วยความรู้ของแต่ละคนแต่ละคนดีการุ่นหลังๆนี้ก็จัดว่าเป็นอัตโนมติด้วยแล้วก็เทระว่าแท้ทั้งหมดเนี่ยที่มาในอัตถกาถาแห่งสูตรและอภิธรรมแล้วก็วินัยด้วยนะ นี่ขนาดอาัตกาถาท่านยัสงสงเคราะห์ว่าเป็นอัตโนมัติเลยนะส่วนอาจารยวาทนั้นนี้หมายถึงอัตกถาที่พระธรรมสังฆาาะเถระพระหันห้าร้อยนั่นเป็นผู้ที่เรียบเรียงขึ้นแต่ว่าอัตกรถารุ่นลังๆนี่ก็ดีกาด้วยก็เป็นอัตโนมัติทั้งหมดแต่กุลบุตรผู้อ้างอัตโนมัติกล่าวไม่ควรจะยึดถือให้แน่นแฟ้นกล่าว ก็คือถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตนเนี่ยนะเราไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความคิดเห็นขอูนตนอาจจะผิดพลาดก็ได้ควรกําหนดเหตุทเทียบเคียงบาลีกับเนื้อความก็คือบาลีหมายถึงสูตรเนื้อความก็หมายถึงอัตกถาและเนื้อความกับบาลีก็คืออัตกรถากับบาลีนั่นแหละกับพทุทธพจน์นั่นแหละแล้วจึงกล่าวอัตโนมัติควรสอบสวนทเทียบเคียงในอาจารย์ว่าก็คือใน พระอธิปทาห้าร้อยที่เป็นพระหานทั้งหมดตั้งแต่พระมหากรสปะนั่นแหละถ้าลงกันและสมกันในอาจริยวาานั้นไซซจึงควรถือเอาถ้าไม่ลงกันไม่สมกันไม่ควรถือเอาจึงอยู่ขึ้นชื่อว่าอัตโนมัตนินี้ยังเป็นของซามกําลังกว่าทุกอย่างอาจริยวาทมีกําลังกว่าอัตโนมัติก็คือเป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือได้แต่ว่าน้อยกว่าวินัยอันเดินทั้งหมด อาจารย์ว่ามีกำลังมากกว่าอัตโนมัติสุตตานุโลมมีกำลังมากกว่าอาจารย์วา่าแล้วก็สูต ร, รมีกำลังมากกว่าสุตรตานุโลมแม้อาจารยว่าก็คือคําของอจัจฉริยะห้าร้อยก็ควรสอบสวนดูในสุตตานุโลมเมื่อลงกันสมกันแท้ในสุตตานุโลมนั้นจึงควรถือเอาไฟล์ที่ไม่ลงการไม่สมกันไม่ควรถือเอาเพราะว่าสุตรตานุโลมเป็นของมีกําลังกว่าอาจารยวา่า แม้สูตรตานุโลมก็ควรสอบสวนดูในสูตรเมื่อลงการสมกันแท้ในสูตรนั้นจึงควรถือเอาฝ่ายที่ไม่ลงการไม่สมกันก็ไม่ควรถือเอาเพราะว่าสูตรเท่านั้นเป็นของที่มีกำลังกว่าสูตรตานุโลมก็คือพระพุทธพจน์นั่นแหละมีกำลังมากที่สุดจึงอยู่สูตรเป็นของใครๆแต่งเทียมไม่ได้เป็นเหมือนสงผู้รมเป็นเหมือนการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังทรงพระชนอยู่ เพราฉะนั้นเมื่อใดพิสูจน์สองรูปสาขัดฉาก็คือมีการสนทนากันสกาวาทีอ้างสูตรกล่าวหมายถึงเป็นผู้ที่มีวาทะเป็นของตนหมายถึงวาทะตามพระพุทธเจ้าตามศาสนานี้อ้างสูตรคืออ้างพระพุทธพจน์ส่วนปรารวาทีหมายถึงผู้ที่มีลัทธิมีวาทะเป็นฝ่ายอื่นอ้างสูตรตามนุโลมกล่าวก็คือรองลงมา เมื่อนานทั้งสองรูปนั้นไม่ควรทําการเพิดเผยก็คือไม่ควรที่จะเจ ย, ย้ยหยันหรือว่าไม่ควรในการที่จะปรารถนาในการที่จะโต้แยง้งขัดแยง้งหรือว่าทะเลาะกันไม่ควรที่จะติเตียนกันและควรสอบสวนสุดตานุโลมในสูตรถ้าลงกันสมกันควรถือเอาถ้าไม่ลงกันไม่สมกันก็ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้นสูตรเป็นประธานเป็นประมาณ ถ้าสกะวาทีนี้อ้างสูตรกล่าวประวาทีอ้างอาจารยยวาสกล่าวแม้ทั้งสองรูปนั้นก็ไม่ควรทําการเพื่อเผยหรือวติเตียนกันและกันควรสอบสวนอาจารยยวาสในสูตรถ้าลงการสมการควรถือเอาเมื่ออาจารยยวาทไม่ลงกันและไม่สมกันทั้งเป็นข้อที่น่าตําหนิ ก, ก็ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้นนั้นสูตรก็เป็นประธานเป็นประมาณถ้าสกะวาทีนี้อ้างสูตรกล่าว ประราทีอ้างอัตโนมัติกล่าวไซตแม้จะสองรูปนั้นก็ไม่ควรทำการเพืเพ่อเผยหรือติเตียงกันละกันควรสอบสวนอัตโนมัติในสูตรถ้าลงกันสมกันควรถือเอาถ้าไม่ลงกันไม่สมกันก็ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสกาวาทีด้วยแล้วก็ยึดถือเอาสูตรมากล่าวพระรวาทีจะกล่าวโดยอ้างสุตานุโลมอ้าง อาจจะรียวาาหรือว่าอัตโนมัติกล่าวไปแล้วแต่ก็ให้ตั้งอยู่ในตูดทั้งหมดเลยเพราะว่าสกาวาทีก็เป็นผู้ที่มีความเห็นตรงมีความเห็นตามหลักคําสอนตามศาสนานี้ส่วนพระราทีก็มีความเห็นตามศาสนาอื่นตามลัทธิอื่นแม้จะอ้างอัจจกถาหรือว่าอ้างสุดตานุโลมอะไรก็เพราะความเห็นยังไม่ตรงก็ไม่ควรที่จะเชื่อถือถ้าสกาวาทีนี้อ้างสุดตานุโลมกล่าวก็คือเบาลงมาหน่อยนึง ประวาทีอ้างสูตรกล่าวใช้อ้างสูตรก็อ้างสูตรขึ้นมาเลยควรสอบสวนสูตรในสูตรตนันโนลมก็ว่าจะเชื่อถือว่าเอาสูตรมาเป็นที่ตั้งไม่ได้ต้องเอาความเห็นด้วยนะว่าความเห็นเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนานี้ไหมถ้าสอดคล้องเมื่อไรอันนั้นก็เป็นสกาวาทีถ้าไม่สอดคล้องเมื่อไหร่ก็เป็นประวาทีไปเช่นบอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ทำทั้งปวงเป็นอ น, าานัตตาเพราะฉะนั้นก็เลยกล่าวว่าที่เป็นอัตาก็มีบางส่วนที่เป็นอัตาก็มีบางส่วนอันนี้ถ้าใครกล่าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นปรารวาทีแล้วนะเป็นปรารวาทีเพราะว่าพรุทธเจ้าไม่ได้แสดงมาไว้อันนี้กล่าวเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาพิจารณานะว่าถ้าสกะวาทีอ้างสุตตานุลมแต่ว่าปรารวาทีอ้างสูตรไห ควรสอบสวนสูตรในสุตตานุโรมต้องเอาสุตตานุโรมมาตั้งเอาสูตรของพราวัตีามาสอบสวนถ้าลงการสมกันปรากฏมาในบาลีขึ้นสู่สังคีติทั้งสามครั้งจึงควรถือเอาถ้าไม่ปรากฏเหมือนอย่างนั้นไม่ลงกันไม่สมกันเป็นพายุระสูตรก็คือสูตรภายนอกศาสนาสิโลกโสลกเป็นโสลกก็คือคําที่เขาแต่งขึ้นมาให้เพราะสระสรวย หรือสูตรที่น่าตําหนิอื่นๆซึ่งมาจากบรรณาสูตรทั้งหลายมีคุรหะเวสันตระคุรหะวินยัยและคุรหะเวทัลระเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสุตตานุโรมเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ไปเอาสูตรมาเหมากกาือนกันแต่ว่าสูตรนอกคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสูตรของฝ่ายพวกมหาสันติกาเป็นพวกนิกายอุตรานิกายนู่นพวกมหายานแต่งเติมขึ้นมาเยอะแยะมากเลยเพื่อนกะ็ ถ้าไม่ขึ้นสูตรสังคีติสามครั้งแม้จะอ้างเป็นสูตรก็ไม่เอาต้องมาเทียบเทียงข้าสกะวาทีนี้อ้างสุตตานุโลมกล่าวสกะวาทีอ้างสุตานุโลมก็ยังเป็นของเทาอยู่นั่นแหละเทากว่าสูตรปรัวาทีอ้างอาจริยว่าอันนี้เบาวกว่าสุตตานุโลมอีกกล่าวไซ้ควรสอบสวนอาจริยว่าในสุตานุโลมเอาสุตานุโลมมาตั้งเอาอาจริยวาามาสอบสวนถ้าลงการสมกันก็ควรถือเอา ถ้าไม่ลงการไม่สมการไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสุดานุโรมเท่านั้นสุดานุโรมนี้ก็พวกมหาประเทศท่าสกาวาทีนี้อ้างสุตานุโรมกล่าวเหมือนเดิมประวาทีอ้างอัตโนมัติอันนี้ยิ่งเบาที่สุดเลยกล่าวไปไซดควรสอบสวนอัตโนมัติในสุดานุโรมถ้าลงการสมกันก็ควรถือเอาถ้าไม่ลงการไม่สมกันก็ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในสุดานุโลมเท่านั้นนี้สกาวาที แต่กล่าวสุดตานุรมส่วนปรารภวธีจะกล่าวสวดนอกศาสนาก็ตามหรือว่ากล่าวอาจารยว่าหรือว่าอัตโนมัติไม่ควรถือเอาทั้งนั้นต้อเอาสุดตานุรมเป็นประมาณแต่ถ้าเกิดปรารภวธีเกิดไปเอาสูตรที่เป็นสูตรในพระพุทธศาสนามาแล้วก็มากล่าวก็จะต้องเทียบเคียงรู้ว่าเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้ก็จะถือเป็นคู่แต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจผิดอย่างเช่นในธรรมะนะ ก็มีการกล่าวว่าอนุใสยเนี่ยเป็นธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสืบต่อไปในจิตทุกดวงนั่นแหละอันนี้ก็เอออนุใสยปแปลว่านอนเนื่องนนะสแสดงไว้ว่าเป็นธรรมชาติที่นอนเนื่องแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงว่าเป็นธรรมชาติที่นอนเนื่องในจิตทุกดวงแต่ว่าแสดงว่าเป็นการนอนเนื่องในสัมดาลแม้ผู้ที่มีวิบังคจิตก็คือขณะที่นอนหลับก็ยังมีอนุสัยเป็นภวังค์ จ, จิต ก็ยังมีอนุสัยอันนี้ต้องฟังนะว่าผู้ที่หลับสนิทขณะนั้นเป็นภวังกจิตก็มีอนุสัยไม่ได้แสดงว่าอนุสัยนั้นอยู่ในผวังกจิตแต่แสดงว่าผู้ที่นอนหลับผู้ที่นอนหลับผู้ที่นอนหลับนั่นแหละเขามีอนุสัยเขานอนหลับด้วยภวังกจิตก็จริง <Calendar> แต่ว่าเขามีอนุสัยเพราะว่าอนุสัยนั้นมันเป็นการสืบต่อมันเป็นการนอนเนื่องโดยการที่หมายถึงอริยมรรคยังไม่เกิดจึงประหารสิ่งนี้ไม่ได้เป็นกิเลสที่มีกําลังที่ มักยังไม่ได้ประหารเพราะฉะนั้นนอนเนื่องในขันธสันดานนอนเนื่องในบุคคลโดยภาวะที่ยังละไม่ได้ไม่ใช่เป็นการนอนเนื่องโดยมีสภาวะเกิดขึ้นนะเพราะว่าภลังจิตนั้นเป็นวิบากส่วนอนุสัยนั้นเป็นอกุศลเป็นกิเลสจะไป น, นอนอยู่ในวิบางจิตไม่ได้มันก็จะทําให้ชาตินั้นปนกันเพราะจิตชาตินึงเนี่ยเกิดขึ้นจิตเดียิกนั้นจะต้องเป็นชาติเดียวกันเป็นภูมิเดียวกัน มีสัมัติยุทธอย่างเดียวการรู้อารมณ์เดียวกันหมดถ้าเป็นวิบากจิตแล้วเป็นชาติวิบากจะมีอนุสัยซึ่งเป็นชาติอกุศลไปรวมอยู่ด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดสภาวะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอ้างสูตรแต่ว่าเป็นปรละวาทีเข้าใจผิดนี้ไม่ถือเอาต่อไปก็ถ้าสกะวาทีนี้อ้างอาจารยวา์ว่าก็คืออ้างอัตถกถาห้าร้อยท่านอัตถกาชาญห้าร้อยตั้งแต่พระมรการสป่ากล่าว ประวาทีอ้างสูตรกล่าวไซต ส, สูตรก็น่าเชื่อถือนะแต่ดูว่าสูตรอะไรควรสอบสวนสูตรในอาจริยวาต์อ้าวแสดงว่าไม่ใช่สูตรในพุทธศาสนานเพราะว่าเอาอาจริยวาต์มาตั้งแล้วก็เอาสูตรมาสอบสวนถ้าลงการสมการควรถือเอาสูตรที่น่าตําหนินอกนี้ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในอาจริยว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประวะทีนี่จะอ้านอะไรกล่าวแล้วแต่ก็ยังไม่ควรจะเชื่อถือจะมีน้ำหนักพลาวน้ําหนัก อะไรก็แล้วแต่ควรเชื่อถือแต่ว่าต้องมาสอบสวนทั้งหลักฐานทั้งเหตุผลถ้าสตังวาทีอ้างอาจาริยวาสกล่าวประวาทีอ้างสุตานุโลมกล่าวไซ้ความจริงแล้วสุตานุโลมน์นี้สุตานุลมนั้นมีกํำลังมากกว่าอาจาริยวาสแต่เพราะว่าบุคคลผู้อ้างนั้นเป็นประวาทีควรสอบสวนสุตานุโลม์ในอาจาริยวาทเพราะว่าเขาเข้าใจผิดได้เมื่อลงการสมการจึงควรถือเอานอกนี้ไม่ควรถือเอา ถ้าตรงกับหลักฐานตรงกับเหตุผลก็ถือเอาได้ก็ไม่ว่าอะไรก็ถูกต้องถ้าถือเอาถูกก็เป็นอันถูกต้องก็ยอมรับก็สาธุดีแล้วแต่ถ้าถือเอาไม่ถูกต้องไม่เอาต้องตั้งอยู่ในอาจริยวาทเท่านั้นถ้าสกะวาทีอ้างอาจริยว่ากล่าวคืออ้างอัทถาห้าร้อยกล่าวปรมาทีอ้างอัตโนมัติกล่าวไซด์อันนี้ยิ่งเพลาอาย่างเลยควรสอบสวนอัตโนมัติในอาจริยวา่าถ้าเข้ากันได้ลงกันได้สมควร ก, ก็ถือเอา ถ้าไม่ลงการไม่สมการไม่ควรไม่ถือเอาควรตั้งอยู่ในอา่านจารยว่าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดสกาวาทีนั้นอ้างอัตโนมัติก็คือเผาที่สุดเลยพวกอัจกถาของเถระวา่ารุ่นหลังๆ ห, หรือว่าพวกของดีกาหรือจะเป็นความคิดเห็นส่วนตนเองก็ตามกล่าวปราวาทีอ้างสูตรกล่าวไซดควรสอบสวนสูตรในอัตโนมัติเพราะว่าปราวาทีนี่ความคิดเห็นไม่ถูกไม่ตรงอ้างสูตรก็ตามแต่ว่าสูตรนั้นไม่รู้จะมีหรือไม่มี ก็มาเทียบเคียงกับอันอัตกรถาที่เป็นเทระวาสทั้งหมดมาเทียบเคียงถ้าลงกันได้สมกันก็ควรถือเอาสูตรที่น่าตําหนินอกนี้ก็ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในอัตโนมัตเท่านั้นถ้าสกาวาทีนี้อ้างอัตโนมัติกล่าวปราวาทีอ้างสุดตานุโรมกล่าวไซ้ควรสอบสวนสุดตานุโรมในอัตโนมัติเมื่อลงการสมกันแท้ควรถือเอานอกนี้ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในอัตโนมัตถ้าสกาวาทีนี้ อาอัตโนมัติกล่าวพระวธีอ้างอาจริยว่ากล่าวไซควรสอบสวนอาจริยว่าในอัตโนมัติถ้าลงการสมการควรถือเอาอาจริยว่าที่หน้าตาหนินอกนี้ไม่ควรถือเอาควรตั้งอยู่ในอัตโนมัติเท่านั้นการถือเอามติของตนนั่นแหลก็คือของสกาวาทีนี่นะสกาวาทีหมายถึงเป็นมติของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่แหละถ้าถือเอามติตามนี้ ควรทําให้มีกําลังไม่ว่าสกาวาทีนี้จะถือเอาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสู่จะเป็นสูตรตานุโลมจะเป็นอาเจริยมาหรือว่าอัตโนมัติต้องทําให้มีกําลังไว้ให้มีหลักฐานไว้แล้วก็ถ้าปรารวทีเอาอะไรมากล่าวก็ต้องมาเทียบเคียงถ้าเข้ากันได้ก็ตกลงถ้าไม่เข้ากันไม่ได้ก็ไม่ถือเอาอันหนึ่งไม่ควรทําการเพิดเผยหรือว่าตําหนิในที่ทั้งฟวงด้วยประการชนิดก็อย่าทะเลาะกัน ใหสมักสมาสมคีเอาควรจะถือไปดูไม่ถือว่าเรื่องของเราใช่ไหมอันหนึ่งข้าสกวาทีนี้กล่าวอ้างว่าเป็นกัปปิยะตารวาทีกล่าวอ้างว่าเป็นอาคัปปิยะควรสอบสวนสิ่งนั้นในสูตรและสูตรตานุโลมถ้าสิ่งนั้นเป็นกัปปิยะควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกัปปิยะนั้นถ้าสิ่งนั้นเป็นอาคัปปิยะก็ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอาคัปปิยะก็ควรจะพิจรนารณา ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรถ้าสกะวาทีนี้ชี้แจงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเป็นเครื่องสาทกสิ่งที่เป็นกัตยญาะแก่ฝ่ายประวาทีนาาาั้นไซปะระวาทีไม่พบเหตุก็ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกัตยญาะิเท่านั้นก็คือยังไม่เชื่อแน่นอนแต่ก็พยายามก็ให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมสมควรก็แล้วกันถ้าประวาทีชี้แจงถึงเหตุและคําวินิจฉัยมากมายจากสูตรเป็นต้น เครื่องสาธกสิ่งที่เป็นอคติยะแก่ฝ่ายสกาวาทีนั้นไซสกาวาทีนั้นไม่ควรถือมั่นคือถ้าปราวาทีกล่าอ้างว่าไหนก็อย่าพิ่งถือมั่นไม่ควรถือมั่นตั้งอยู่ว่าการถือเอามติคอตรถูกฝ่ายเดียวควรยอมรับว่าดีละแล้วตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอคติยะเท่านั้นหมายถึงว่าถ้ามีเหตุผลแล้วก็เทียบเคียมสลับทำแล้วก็ใช้ได้คือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรพอนั้นก็ควรจะเห็นด้วยตามีเหตุผลมีหลักฐานต่างๆถ้าว่าเงาแห่งเหตุแม้ของทั้งสองฝ่ายย่อมปรากฏชัดไสข้อทีทั้งสองฝ่ายคัดค้านนั่นแหลเป็นการดีแต่ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอากขบัญญความจริงครั้นมาถึงวิเนยแล้วอันที่ตุบริษัทควรอาศัยการวิจารณ์ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรป้องกันไว้ควรทาการยึดถือให้มั่นคง ควรตัดกระแสเสียควรตั้งอยู่ในความเป็นผู้หนักความจริงแล้วก็คือถ้าวิชัยยังไม่แน่นอนหรือว่ายังเทียบเทียงเหตุผลยังไม่ได้แน่นอนควรเที่ยะถือเอาขัําหนักไว้ ก, ก, ก, ก่อนควรเที่ยบถือเอาขั้าหนักไว้ก่อนก็คือกระทำให้มันมั่นคงไม่พลาดอันหนึ่งท่าสกะวาทีนี้กล่าวอ้างว่าเป็นอากัปปิยะ สารวัตีกล่าวอ้างว่าเป็นกัปปิยะควรสอบสวนสิ่งนั้นๆในสูตรและสุตานุโลมถ้าสิ่งนั้นเป็นกัปปิยะควรตั้ ง, ง, e patient, งอยู่ในสิ่งที่เป็นกัปปิยะถ้าสิ่งนั้นเป็นอกัปปิยะก็ควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะถ้าสกาวัตีชี้แจงถึงสิ่งที่เป็นอกัปปิยะด้วยสูตรคำนิชัยและเหตุมากมายท้ายสารวัตีไม่ได้พบเหตุควรตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกัปปิยะก็คือไม่พบเหตุที่จะโตแยงก็จะต้อง ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอกภิยะนั้นถ้าปรับวัตีชี้แจงถึงสิ่งที่เป็นกักภิยะด้วยสูตรคำวิธีฉัยและเหตุมากมายใจสกะมาทีนี้มิได้พบเหตุกวนตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกักภิยะถ้าว่างเงาแห่งเหตุแม้ของทั้งสองฝ่ายย่อมปรากฏชัดใสคือต่างคนก็ต่างมีเหตุผลทั้งคู่ไม่ควรสละการถือเอามาติของตนเหมือนอย่างว่าในสิ่งที่เป็นกักภิยะและอกัภิยะ และในสิ่งที่เป็นอากัปปิยะและกัปปิยะท่านกล่าววินิจฉัยนี้ไว้แล้วฉันใดในวารถาว่าเป็นอาณาบัตและอาบัตก็ดีในวารถาว่าเป็นอาบัตและอาาบัตก็ดีในวารถาว่าเป็นระหุกาบัตและคารุกาบัตก็ดีในวารถาว่าเป็นคารุกาบัตและระหุกาบัตก็ดีก็ควรทราบวินิจฉัยฉันนั้นจึงอยู่ในวารถ้ที่ว่าเป็นอาณาบัตและอาบัตเป็นต้นนี้มีความต่างกันในเพราะเหตุสักว่าชื่อเท่านั้น ในในแห่งการประกอบความหามีความต่างกันไม่เพราะฉะนั้นการประกอบความท่านจึงไม่ทําให้พิสดารต้องเทียบเคียงนะต้องเทียบเคียงกับเหตุผลและหลักฐานก้เอาหลักฐานเป็ใหญ่และเมื่อเกิดคาวินิจฉัยถึงสิ่งที่เป็นกัปปยะและอกัปปิยะเป็นต้นอย่างนี้แล้วไฟได้ไดพบเหตุมากมายในสูตรสุตานุโลมอาจริยวาาและอัตโนมัติอันนี้ก็ต้องเอาหลักฐานนั้นนั้น แต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลด้วยควรตั้งอยู่ในวาทะของฝ่ายนั้นอันหนึ่งทั้งสองฝ่ายเมื่อไม่ได้พบเหตุแห่งคําวินิจฉัยโดยประการทั้งปวงไม่ควรละทิ้งสูตรควรตั้งอยู่ในสูตรเท่านั้นชนนี้แลเพราะวินัยทรผู้ปรารถนาความเป็นผู้ชนาในวินัยวินิจฉัยทั้งสิน้นควรทราบวินัยกี่อย่างนี้ดังพันน า, นา ม, มาชนิดตกลงวินัยสี่อย่างนี้ก็คือสูตรหมายถึงบาลีพุทธโพ์ แล้ก็สุดตานุโลมหมายถึงมหาประเทศอาจารยาวาาหมายถึงคําของอัตถกถาพระสังขายกเทระพระสังาขากาเทระผู้ทําการปฐมสังคานาแล้วก็อัตโนมัตินี่ก็หมายถึงเถราวาาอัตถกถาที่เป็นเถราวาารุ่นหลามหรือว่าความคิดเห็นส่วนตนอันนี้เป็นวินัยที่ใหญ่หรือว่าจะเรียกชื่อว่าอาหัจถบทก็ได้หมายถึงสูตรนั่นแหละแล้วก็รถหมายถึงสุดตานุโรมวงแห่งอาจารย์คืออาจารยาว่าก็หมายถึงอาจาริยวง หมายถึงอาชาริยวาสน์นแหละแล้วก็อถ ธ, ธิบายครับอธิบายนั่นก็หมายถึงอัตโนมัติถ้าปรารถนาในการที่จะวินิจฉัยวินยัยพระวินัยทรเนี่ยก็ต้องเรียนวินัยสี่อย่างนี้ก็แลบุคคลผู้ทรงวินยัยแม้ครั้นทราบวินัยสี่อย่างนี้แล้วก็ควรเป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะสามจึงอยู่ลักษณะแห่งพระวินัยทรนสามอย่างควรปรารถนาคือต้องกระทําลักษณะเหล่านี้ให้มีขึ้นในตน ลักษณะสามอย่างเป็นไนลักษณะสามอย่างคือคําว่าข้อสูตรของพระวินัยทร น, นั้นเป็นพุทธพจน์ที่มาถูกต้องคล่องแคล่วดีวินิจฉัยดีโดยสูตรโดยพยัญชนะนี้เป็นลักษณะอันหนึ่งคือต้องจําพระพุทธพจน์ให้ได้ก็คือวิพังนะนะพระวินัยทั้งหมดเป็นสูตรพระวินัยทั้งหมดนี้ต้องจดจําให้ได้ คำว่าก็พระวินัยทรนั้นเป็นผู้มั่นคงไม่ง่อนแง่นในวินัยแลนี้เป็นลักษณะที่สองก็คือเป็นผู้ที่มีศีลมีกัลยนณธรรมเป็นผู้ละอายเจอบาปต้องมั่นคงนะไม่ใช่โลเลกล่าววินัยได้แต่ว่าไม่รักษาพระวินัยเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีลักษณะของวินัยทรนข้อที่สามก็ลําดับอาจารย์แลเป็นลําดับที่พระวินัยทรนั้นจําได้ถูกต้อง ทำให้ขึ้นใจไว้ดีใครควรถูกต้องดีแล้วนี้เป็นลักษณะทสามก็ต้องจําลําดับของพระวินัยทรได้ด้วยตั้งแต่พระอุบาลีพระอุบาลีแล้วก็รองลงมาก็ใครพระโสนะพระโสณะพระอะไรสองรูปจนกระทั่งมาถึงครั้งที่สามพระมกลีบุติสเทระตพระมหินทัทธีระอันนี้เป็นลําดับของพระวินัยทรทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงต้น ในคําว่าสุดตันจะเป็นต้นนั้นมีวิิีไฉทำนี้วินัยปิฎกทั้งเส้นชื่อว่าสูตรโอต้องจําวินัยปิฎกทั้งเส้นให้ได้เลยนะจะเป็นวินัยทรเนี่ยสูตรนั้นของพระวินัยทร น, นั้นเป็นพุทธพจน์ที่มาถูกต้องคือมาแล้วด้วยดีบทว่าสุ ป, ประวัติได้แก่เป็นไปด้วยดีคือชํานาญคล่องปากหมายถึงคล่องปากด้วยขึ้นใจด้วยจำได้ทั้งหมดลายบทว่าสุวินิชิตังสุตตะโสอนุปยัญชนะโส ได้แก่ที่วินิจฉัยเรียบร้อยคือที่ตนตัดความสงสัยเรียนเอาไว้โดยบาลีโดยปริกุจชาและอัตถกถาหลายบทว่าวินเยโขโปนติโตโหโติความว่าพระวินัยทรนนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในพระวินยัยด้วยความเป็นลัทธิพิกจุคือมีความละอายต่อบาสจึงอยู่อาลัชธิพิจุแม้เป็นพระหูสูตร เพราะว่าเป็นผู้ที่ขยันในการเล่าเรียนก็ได้แต่ว่าไม่มีความละอายต่อการที่จะล่วงศีลล่วงอาบัติอะไรต่างๆเพราะค่าที่ตนเป็นผู้หนักในราบ ก, ก็แกล้งกล่าวให้ผิดแบบแผนแสดงศัตรูศาสตร์นอกธรรมนอกวินัยย่อมทําให้เกิดความเสียหายมากมายในพระศาสนาคือก่อให้เกิดสังฆเภทบ้างสังฆราชีบ้างฝ่ายพิจุลักชีเป็นผู้มักรังเกียจใคร่การศึกษา แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตก็ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดแบบแผนย่อมสแสดงเฉพาะธรรมเฉพาะวินัยเท่านั้นคือทำสัตตุศาสตร์คาสอนของภาศาสดาให้เป็นที่เคารพตั้งอยู่จริงอย่างนั้นพระมหาเถราทั้งหลายในปางก่อนเปล่งวาจาสามครั้งว่าในอนาคตการพิกษตรักฉีจับรักษาไว้พิกิุรับฉีจักรักษาไ ว, ดาาว้ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ มีความละอายตบะเป็นลัทธิถ้าเป็นอาัทธิผู้สูตรนี้ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ที่เป็นวินัยทอนก็พิสูตรูปใดเป็นลัทธิดังกล่าวมาแล้วนั้นพิสูตรูปนั้นเมื่อไม่ละไม่ฝ่าฝืนวินยัยเป็นผู้ตั้งมั่นคือมั่นคงอยู่ในวินยัยด้วยความเป็นลักธีพิสูุรชนนี้แลบทว่าอสังฮีโรความว่าบุคคลใดถูกผู้อื่นถามด้วยบาลีโดยเบื้องต่า หรือเบื้องสูงด้วยลำดับบทในบาลีหรือในอัตกถาย่อมทุรนทุรายกระสับกระสายไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้ย่อมคล้อยตามคําที่ผู้อื่นกล่าวทิ้งวาทะของตนเสียถือเอาวาทะของผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าภู้งอนแน่นก็คือจําได้ไม่มั่นคงนะเมื่อจําได้ไม่มั่นคงผู้อื่นเขากล่าวฉับฉานผูดได้คล่องแคล่วว่าเลยทิ้งวาทะของตนไปถือเอาปาทะของคนอื่นเพราะว่า เป็นผู้ไม่มั่นคงนั่นเองฝ่ายบุคคลใดถูกผู้อื่นถามด้วยบทเบื้องต่ําและเบื้องสูงหรือด้วยลำดับบทในบาลีก็ดีในอัจฉริยะก็ดีย่อมไม่ทุรนทุรายไม่กระสาบกระซายเปรียบเหมือนเอาแหนบจับขนทีละเส้นทีละเส้นแสดงว่าแม่นยำมากแม่นยำมากมั่นคงมากเพราะว่าคนที่กะถอนขนก็เอามือไปจับขนดึงมาทีละเส้นทีละเส้นมันดึงไม่ออกหรอกมันลื่นแต่ถ้าเอาแหนบจับดึงออกแน่นอน เพราะฉะนั้นก็มั่นคงเหมือนกับเอาแหนบจับขนดึงทีลเส้นอย่างนี้ชี้แจงกับขาว่าข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้อาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าก็กล่าวอย่างนี้อันหนึ่งบาลีและวินิจฉัยบาลีตั้งอยู่ในบุคคลใดไม่ถึงความเสื่อมสิ้นหมดไปเหมือนน้ำมันราชสีที่ใส่ไว้ในภาชนะทองคําไม่ถึงความสิ้นไปฉะนั้นบุคคลนี้ท่านเรียกว่าผู้ไม่งอนเงน ก็คือเป็นผู้ที่มั่นคงเพราะฉนั้นความมั่นคงเป็นลักษณะของพระวิเนทอรนี่มีสองอย่างหมายถึงเป็นผู้ที่มีศีลความมั่นคงในที่นี้นะมั่นคงด้วยไม่งอนงนอันในวินัยด้วยมั่นคงหมายถึงเป็นรับชีพิกจุไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมะมีความละอายแต่ว่าไม่งอนงๆ น, นีหมายถึงว่าจําธรรมะได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในเมื่อคนอื่นเข้ามาสอบถามเป็นผู้ที่สามารถจดจําแล้วก็ ตอบแบบไม่สะทกสถานไม่กระสับกระซาดหลายบทว่าอาจริยะปารัมประปราโขปนัสสะสุขะหิตาโหติความว่าลำดับแห่งพระเถระคือลำดับวงเป็นลำดับที่พระวินัยทอนั้นจำได้อย่างถูกต้องบทว่าสุมนณะสิกตาได้แก่ทำให้ขึ้นใจอย่างดีแต่พอนึกก็ปรากฏได้คล้ายประทีปที่ลุกโชนฉะนั้น ว่าสูปัทาริตาได้แก่ใครขครวนเป็นอย่างดีคือไขค ร, ครวนโดยความสืบเนื่องกันแห่งเบื้องต้นและเบื้องปลายโดยผลและโดยเหตุบุคคลละมะติโอตอนแล้วเป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ์แห่งอาจารย์คือนำลำดับอาจารย์ได้แก่ระเบียบแห่งพระเถระทั้งหมดอย่างนี้ว่าพระอาจารย์ของข้าพเจ้าเรียนเอาในสำนักของอาจารย์ชื่อโน้นอาจารย์นั้นเรียนเอาในสำนักของอาจารย์ชื่อโน้น ไปตั้งไว้จนให้ถึงคําว่าพระอุบารีเถระเรียนเอาในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์รูปต่อๆมาได้นํามาแม้จากพระอุบาลีเถระนั้นคือได้นําลําดับแห่งพระอาจารย์ได้แก่ระเบียบพระเถระทั้งหมดจนให้ถึงพระอาจารย์ของตนก็คือสามารถที่จะจากตนเองเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์เรียนมาจากอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์เรียนจากของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์จนังไปถึง พระอุบารีเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่มาตั้งแต่พระอุบาลีเรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระทาสกะเรียนจากพระอุบารีพระโสนกะเรียนจากพระธาสกะพระสิกขะวะเรียนจากพระโสนกะพระโมคคัลลีบุตติสสะเทระเรียนจากพระสิกขะวะแล้วก็พระมหินเถระก็เรียนจากพระโมคคัลีบุตติสสะจุ่งตั้งมาถึงอาจารย์ของตนก็เรียนจากอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ตนเองก็เรียนจากอาจารย์ของตน ก็ไล่ลําดับอย่างนี้เขาเรียกระเบียบแบบแผนของพระเถระของครูอาจารย์เรียนเอาพระอุาบาลีเถระนี่ก็เรียนเอาในสํานักของพระสมมาสัมพุตจเจ้าพระอาจารย์รูปต่ อ, ตอมาได้นํามาแม้จากพระอาบาลีเถระคือนําลําดับแห่งอาจารย์ได้แก่ระเบียบพระเถระทั้งหมดจนให้ถึงพระอาจารย์ของตนแล้วตั้งไว้อย่างนี้ว่าพระอุาบาลีเถระเราเรียนมาในสํานักของพระสมมาสัมพุตจเจ้า พระทานสกะเทระเล่าเรียนมาในสำนักของพระอุบาลีเถระผู้เป็นอุปชาของตนพระโสณเถระเล่าเรียนมาในสำนักของพระทาสกะเทระผู้เป็นอุปชาของตนพระสิกขวะเทระเล่าเรียนมาในสำนักของพระโสนาเทระผู้เป็นอุปชาของตนพระโมคคาลีบุติสัตเทระเล่าเรียนมาในสำนักของพระสิกขวะเทระและพระจันทวชีเทระผู้เป็นอุปชาของตนเป็นอุปชาเป็นอาจารย์ด้วย ก็เป็นอุชาตอนเป็นเนนแล้วก็เป็นอุชาตอนเป็นพระแท้จริงลำดับแห่งพระอาจารย์อันพระวินัยทอเรียนเอาแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นอันเธอจําได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อไม่สามารถจะเรียนเอาอย่างนั้นก็ควรเรียนเอาเพียงสองสามลำดับก็พอจริงอยู่โดยในอย่างหลังที่สุดควรทราบเหมือนอย่างพระอาจารย์และอาจารย์ของอาจารย์ปราบาลีและปริปุชานั้นก็คือถ้าสืบต่อกันจะตั้งถึงพระอุบาลีถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ เรียนมาจากอาจารย์คืออะไรอาจารย์ของเราไปเรียนจากอาจารย์ไหนมาอาจารย์ของอาจารย์นั้นไปเรียนจากอาจารย์ไหนมาสองสาลดับกาไก็แล้วพระวินัยทอผู้ประกอบพร้อมด้วยลักษณะสามอย่างนี้แล้วเมื่อสองประชุมกันเพื่อวินิจฉัยเรื่องและเรื่องก็ยังลงแล้วทั้งโจทย์และจําเลยก็ให้การแล้วเมื่อจกพูดไม่ควรดวนตัดสินทีเดียวควรตรวจดูฐานะทั้งหกเสกอน ฐานะหกอย่างนั้นเป็นไนฐานะหกอย่างนั้นคือควรตรวจ ด, ดูเรื่องเรื่องนั้นเรื่องอะไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองตรวจ ด, ดูมาติกามาติกาในพระวินยัยว่าจะผิดข้อไหนหรือว่าไม่ผิดอันนี้สั่ว่าตรวจ ด, ดูบทภาชนีภาชนีก็หมายถึงจำแนกบทจำแนกบทว่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าอย่างไรอันที่สี่ก็ตรวจ ด, ดูติกกับปริเชตหมายถึงว่าติกกัปังจิตติติกกทุกกด เป็นอาบัติหรือเปล่าในติกะปัจจิตีติกะทุกฏนั้นหรือว่าจะตกกะปาจิตีหรือว่าฉักกะทุกฏอันนี้ตรวจดูในที่นั้นอันที่ห้าก็ตรวจดูอันตราบัตมีอาบัตอะไรอยู่ในระหว่างนไหมอันตราบัตและอันที่หกก็คือตรวจดูอาณาบัตหมายถึงว่าที่พจน์ะอาบัตเนี่ยพจน์จะอาบั ต, บตหรือเปล่ามีการตรวจหกเรื่องนี้นะซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ต่อในวันรุ่งขึ้น วันพรุ่งนี้ค่อยมาพิจารณาถึงฐานะหูกยามซึ่งเป็นสิ่งที่พระวิเนธรควรจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินวันนี้ก็มฤตยูลาคอยุติเพียงเท่านี้ขวัยท่านจงเจริญในพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเพื่อออกจากวัตฏะเพื่อความหลุดพ้นเพื่อเป็นอิสระจากมารทั้งหลายโดยพฤตการทั้งปวงด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ